ส่วนพระมหาสัตว์กลับเรือนของตนแล้วลำดับนั้นปุณกกะยักษ์จึงกล่าวคาถาว่ามาเถิดเราจะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละ พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นอิสราธิบดีพระราชทานท่านให้แก่ข้าพเจ้าแล้วขอท่านจงทำประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทานี้เป็นของเก่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโ no นในคำว่าท no, no ินโนโนพระราชทานท่านนี้เป็นเพียงนิบาศอธิบายว่าท่านอันพระเจ้าธ น, นชัยผู้เป็นอิสราธิบดี ได้พระราชฐานแล้วแก่ข้าพเจ้าข้อว่าทำนี้เป็นของเก่าเอสะธรรมโมสนันตโนความว่าเพราะเมื่อท่านปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เราชื่อว่าเป็นอันปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่นายของตนการทําให้เป็นประโยชน์แก่นายของตนนั้นชื่อว่าเป็นธรรมของเก่าคือเป็นแบบของบัณฑิตในปางก่อนอย่างแท้จริง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 คำว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อันท่านได้แล้วตยาหามัสมิความว่าข้าพเจ้าย่อมรู้ว่าท่านได้ข้าพเจ้าแล้วคือเมื่อได้ข้าพเจ้าไม่ใช่ได้โดยประการอื่นข้อว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อันพระราชาผู้เป็นอิสราธิบดีพระราชทานแก่ท่านแล้วทินโนหามัสมิตวะอิสเรนะความว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้อันพระราชาผู้เป็นอิสราธิปดีของข้าพเจ้าได้พระราชทานแก่ท่านแล้วคําว่าสักสามวันตีหันจะความว่าท่านมานพเราเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ท่านเพราะไม่เห็นคล้อยตามพระราชาพูดไปตามความจริงเท่านั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้อันท่านได้แล้วท่านจงรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นใหญ่แก่ตนพวกเราจะพักอยู่ในเรือนของตนสามวันเพราะฉะนั้นท่านจงพักรออยู่ให้ข้าพเจ้าสั่งสอนบุตรและภรรยาก่อนปุญญกะยักษ์ได้ฟังดังนั้นแล้วคิดว่าบัณฑิตนี้พูดจริงมีอุปการะแก่เราเป็นอย่างมากแม้หากว่าเมื่อเธอจะขอให้เราพักอยู่เจดวันก็ดีครึ่งเดือนก็ดี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 ปัรดาคำเหล่านั้นคำว่าคำที่ท่านกล่าวนั้นจงมีแก่ข้าพเจ้าตามเมความว่าคำที่ท่านขอนั้นทั้งหมดข้าพเจ้าตามใจท่านคำว่าท่านแต่วันนี้ภวัต ช, ชะความว่าท่านผู้เจริญจงสั่งสอนบุตรและภรรยาสามวันนับแต่วันนี้ไปคำว่าในเมื่อท่านไปแล้ว ตยีเปิดจะความว่าท่านจงสั่งสอนโดยประการที่เมื่อท่านไปแล้วภายหลังบุตรและภรรยาของท่านจะพึงมีความสุขปุณกะยักษ์ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วเข้าไปสู่นิเวศของพระมหาสัตว์พร้อมกับพระมหาสัตว์นั้นแลพระศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าปุณกะยักษ์ ผู้มีสมบัติหน้าใคร่มากมายกล่าวว่าตีละแล้วหลีกไปภายในพร้อมกับวิธุระบัณฑิตเป็นผู้มีมารยาทอันประเสริฐสุดเข้าไปในบ้านของวิธุระบัณฑิตอันบริบูรณ์ด้วยช้างและม้าอาชาในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้มีสมบัติหน้าใคร่มากมายปะหูตะกาโมได้แก่ ผู้มีโภกทรัพย์มากมายคําว่าอันบริบูรณ์ด้วยช้างและม้าอาชาในาตังกุญชราชัญญะหยานุจินนังความว่าสั่งสมคือบริบูรณ์ด้วยช้างและม้าอาชานใยคําว่าเป็นผู้มีมารยาทอันประเสริฐสุดอริยเศธโถความว่าเป็นผู้สูงสุดในมารยาทอันประเสริฐสุด ปุนกะยักษ์เข้าไปภายในบ้านของวิตุระบันดิตก็พระมหาสัตว์มีปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่พักแรมสามฤดูในปราสาทสามหลังนั้นหลังหนึ่งชื่อว่าโกนจะหลังหนึ่งชื่อว่ามยุระหลังหนึ่งชื่อว่าปิยะเกตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาปราสาทสามหลังนั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่า ปราสาสของพระมหาสัตว์มีอยู่สามหลังคือโกณจะปราศาสหนึ่งมยุระปราสาสหนึ่งปิยะเกตาปราศาสหนึ่งในปราสาสทั้งสามนั้นพระมหาสัตว์ได้พาปุณกะยักษ์เข้าไปยังปราสาสอันเป็นที่น่ารื่นรมยิ่งนักมีพักษาหารบริบูรณ์มีข้าวน้ำเป็นอันมากดังหนึ่งมสกะสารวิมานของเทาวาสวาชนะนั้น บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในปร า, าสาททั้งสามนั้นตัดเถะความว่าบรรดาปร า, าสาททั้งสามนั้นพระมหาสัตว์าปุณกะยักษ์เข้าไปยังปร า, าสาทอันเป็นที่ที่ตนอยู่ในสมัยนั้นซึ่งเป็นที่ที่น่ารื่นรมยิ่งนักก็แลกรั้นเข้าไปแล้วให้จัดแจงห้องอันเป็นที่นอนและห้องโถงใหญ่ในชั้นที่เจ็ด แห่งปร า, าสาทที่ได้ตกแต่งไว้แล้วให้ปู่ที่นอนอันทรงสิริจัดแจงของต้อนรับทุกอย่างมีข้าวและน้ำเป็นต้นแล้วเมื่อให้แก่ปุณณะยักษ์นั้นด้วยสั่งว่าหญิงห้าร้อยนางตุดนางเทพกัญญาเหล่านี้จงเป็นหญิงบำรุงบำเรอท่านท่านอย่าเบื่อหนายจงอยู่ในที่นี้เถิด ครันเมอให้แล้วจึงได้ไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อพระมหาสัตว์ไปแล้วหญิงบัมเบอเหล่านั้นจับเครื่องดนตรีต่างๆเริ่มการประโคมมีฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นเพื่อบัมเบอปุญนญกะยักษ์พระศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่านารีทั้งหลายผู้ประดับประดางดงามดังเทพอับษรในเทวโลก ฟ้อนรำขับร้องเพลงอันไพเราะจับใจกล่อมปุณกะยักอยู่ในปราสาสนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ากลอ่อมอวหายันติได้แก่ย่อมร้องกลอง่อมคําว่าอันไพเราะจับใจวราวรังความว่านางบําเรอเหล่านั้นประดับองค์ทรงเครื่องอันงดงาม พากันฟ้อนรำและขับร้องเพลงประสานเสียงไพเราะจับใจพระมหาสัตว์ผู้รักษาธรรมรับรองปุณณะยักษ์ด้วยนางบำเรอที่น่ายินดีทั้งข้าวและน้ำแล้วคิดถึงประโยชน์อันเลิศได้เข้าไปในสำนักของภรรยาในการนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าที่น่ายินดีปมุทาหิความว่า พระมหาสัตว์รับรองปุญกะยักษ์ด้วยเหล่านางบำเรอที่น่ายินดีชื่นใจและด้วยข้าวและน้ำคำว่าผู้รักษาธรรมธรมมปาโลได้แก่ผู้เฝ้าระวังธรรมคือผู้คุ้มครองธรรมคำว่าประโยชน์อันเลิศอักขตถะเมวะได้แก่ซึ่งประโยชน์อันล้ำเลิศนั่นเองคำว่า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 จงเรียกบุตธิดามาฟังคำสั่งสอนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าภริยังอวะจะได้กล่าวกับภรยาแก้เป็นภริยงอโวจะกคำว่าจงเรียกมาอามันตยะได้แก่จงเรียกม า, ามกกมหานางอโนชาได้ฟังคำของสามีแล้ว ได้กล่าวกับลูกสะภ้ยผู้มีเล็บแดงมีตางามว่าแน่เจ้าเจตาผู้มีผิวพรรณดังดอกนิลุบลเจ้าจงเรียกบุตรทั้งหลายของเราผู้ทรงเครื่องปกปิดหนังผู้แกล้วกล้าสามารถมาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านางอโนชาอโนชาได้แก่ภรยาผู้มีชื่ออย่างนั้นข้อว่า ได้กล่าวกับลูกสะพ้ยผู้มีเล็บแดงมีตางามสุนิสังอวัจจะตัมพนะขิงสุเนตังความว่านางอโนชาได้สะดับถ้อยคำของสามีเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่คิดว่าเราไม่ควรจะไปเรียกบุตรด้วยตนเองเราจะสั่งลูกสะพ้ายไปแล้วไปสู่ที่อยู่ของลูกสะพ้ยนั้น ได้กล่าวกับลูกสะพ้ยผู้มีเล็บแดงมีดวงตางามคําว่าจงเรียกมาอามันตยะจงเรียกมาหาคําว่าผู้ทรงเครื่องปกปิดหนังจำ ม, มะทารานิความว่าผู้ทรงซึ่งเครื่องปกปิดหนังผู้แกล้วกล้าสามารถก็เครื่องอาภร์นั่นเองท่านประสงค์เอาว่าจำ ม, มะ เครื่องปกปิดในที่นี้เพราะฉะนั้นจึงมีความว่าผู้ทรงไว้ซึ่งเครื่องอาภรณ์ดังนี้ก็มีนางอโนชาเรียกลูกสะพยโดยชื่อว่าเจตาเจเตคำว่าบุตรทั้งหลายปุตตานิได้แก่บุตรและทิดาของเราด้วยคำว่าผู้มีผิวพันธ์ดังดอกนิลุบล อินทวระปุปภาสามีนางอโนชาเรียกลูกสะพ้ยนั้นลูกสะพ้ยรับคำว่าดีละแล้วเที่ยวไปตามปราสาสรร้องเรียกเพื่อนสนิทของพระมหาศาตัตว์บุตรและธิดาหมดทุกคนให้ไปประชุมกันว่าท่านทั้งหลายบิดาต้องการจะให้โอวาทจึงเรียกท่านทั้งหลายมาได้ยินว่าการเห็นบิดาครั้งนี้ เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของท่านทั้งหลายส่วนว่าธรรมะปาลกุมารได้ยินคำนั้นแล้วจึงพาพี่น้องร้องไห้ไปสู่สำนักของท่านบิดาฝ่ายวิทุรบัณฑิตเห็นบุตรธิดาเหล่านั้นก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ตามปกติมีตาเต็มไปด้วยน้ำตาสวมกอดและจุมพิษศีรษะบุตรธิดาเหล่านั้นให้บุตรคนโตแนบอก สักครู่หนึ่งจึงให้ออกจากอกแล้วออกจากห้องอันประกอบด้วยสิริขึ้นนั่งบนบัลลังก์ที่พื้นปราสาทหลังใหญ่ได้ให้โอวาดแก่บุตรหนึ่งพันคนพระศาสดาเมื่อประกาศความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าพระมหาสัตว์ผู้รักษาธรรมได้จุงพิษบุตรธิดาผู้มาแล้วนั้นที่กระหม่อมไม่หวั่นไหว ครั้นเรียกบุตธิดามาพร้อมแล้วได้กล่าวสั่งสอนว่าพระราชาในอินทปัตทนครนี้พระราชทานพ่อให้แก่มานพแล้วพ่อเพึงมีความสุขของตนเองได้เพียงสามวันตั้งแต่วันนี้ไปพ้นจากนั้นแล้วพ่อก็ต้องเป็นไปในอำนาจของมานพนั้นเขาจะพาพ่อไปตามที่เขาปรารถนาก็พ่อมาเพื่อสั่งสอนลูกทั้งหลาย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 เพราะข้อนี้มิใช่ธรรมเนียมขอเดชะสัตว์ผู้มีชาติต่ำต้อยจะพึงมีอาสนะเสมอด้วยพยากรสอนราชสีอย่างไรได้พระเจ้าค่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้รักษาธรรมธรรมปาโลได้แก่พระมหาสัตว์คำว่าพระราชทานพ่อทินนาหัง ความว่าเราเป็นผู้อันพระราชาสละโดยเป็นทรัพย์ที่ผู้ชนะพึงนำไปเดิมพันพระราชทานแก่มานพข้อว่าพ่อพึงมีความสุขของตนเองได้เพียงสามวันตั้งแต่วันนี้ไปพ้นจากนั้นแล้วพ่อก็ต้องเป็นไปในอำนาจของมานพนั้นตัดสัตว์ชหังอัตตะสุขีวิเทโย ความว่าบิดามีความสุขในอำนาจแห่งตนได้ชั่วสามวันแต่วันนี้พ้นจากสามวันนี้แล้วบิดาก็เป็นไปในอำนาจแห่งมานบก็ในวันที่สี่มานบนั้นจะพาบิดาไปในที่ไหนไหนที่เขาปรารถนาโดยส่วนเดียวคาว่ายังไม่ได้ทาเครื่องป้องกันอปริตตายะความว่าก็บิดามา เพื่อจะสอนเจ้าทั้งหลายโดยคิดว่าบิดาหากยังไม่ได้ทำเครื่องป้องกันแก่พวกเจ้าจะพึงไปได้อย่างไรเหตุนั้นบิดาจะต้องมาเพื่อสั่งสอนพวกเจ้าคําว่ามีความมั่นคงคือประชาชนชนะสันโถความว่าพระราชาทรงทำชนผู้เป็นมิตรให้เป็นที่มั่นคงด้วยการผูกมิตร คำว่าเมื่อก่อนเหตุเก่าๆปุเรปุรานังความว่าในการก่อนแต่นี้พวกเจ้าย่อมรู้เหตุการเก่าๆอะไรบ้างคำว่าได้พร่ำสอนอนุสาเสได้แก่ตามพร่ำสอนเจ้าทั้งหลายที่พระราชาตรัสถามอย่างนี้พึงทูลว่า บิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ให้โอวาทอย่างนี้อย่างนี้ข้อว่าเจ้าจงเป็นผู้มีอาสนะเสมอกันสมานาสนาโหถะความว่าก็ถ้าว่าเมื่อพวกเจ้าทูลบอกโอวาทที่บิดาให้นี้พระราชาจะพึงมีพระราชองค์การตรัสว่า พวกเจ้าทั้งปวงจงมานั่งบนอาสนะเสมอ ก, กันกับเราในวันนี้ในราชตระกูลนี้มนุษย์คนไร้เล่านอกจากพวกเจ้าจะนำประโยชน์มาให้แก่พระราชาได้แล้วพึงให้นั่งบนอาสนะของพระองค์ทีนั้นพวกเจ้าพึงกระทําอัญชลีถวายบังคมทูลอย่างนี้กับพระราชานั้นว่าขอเดชะ ขอพระองค์อย่าได้ตรัสอย่างนั้นเพราะข้อนั้นหาได้ถูกธรรมเนียมของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่คาว่าพญาไกรสอนราชสีวิยัคขราชศได้แก่ไกรสอนสีหราชคาว่าสัตผู้มีชาติต่าต้อยนิหีนฉชัดโจรความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพสุนักจิ้งจอกแก่ จะพึงมีอาสนะเสมอกันได้อย่างไรอธิบายว่าสุนัขจิ้งจอกย่อมไม่เป็นผู้มีอาสนะเสมอด้วยราชสีแม้ฉันใดพวกข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ควรมีอาสนะเสมอด้วยพระองค์ส่วนบุตรธิดาญาติผู้มีใจดีและทาตกรรมกรทั้งหมดนั้นได้สดับถ้อยคําของพระมหาสัตย์ดังนี้ ไม่อาจดำรงอยู่ได้ตามปกติตามพากันร้องไห้พี่ไร่ร่ำไปตามกันพระมหาสัตว์ได้ตักเตือนชนเหล่านั้นให้สำนึกตัวแล้วด้วยประการชนีลักขกันจบ